บุกทูเก้าสิบห้า i n the Vedaset คำสันธานสอง <S V n iki, s n e k i ดวเธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไร odgdy anavech nedela ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงานลตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลย o อดคาร์เซย์พอร์ชิลาเนดิลาเตั้งแต่พวกเขารู้จักกันพวกเขามีความสุขอขอ k a r se p o ป n a t a s t a s r e เรชตั้งแต่พวกเขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลยออดคา i m a ิมาตาออโ กริสตเเธอโทรศัพท์มาตอนไหนได้เทลฟ i นียขณะขับรถหรือเมทวอร์จนียใช่ขณะที่เธอขับรถยาเมทเตมคอวูซีออโต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 เดิอวดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่นนิชเนวีดิมคาดาริมามอชชัลดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไปนิชเนราซูเม คารดิบทคกลาสนดิฉันไม่ได้กลิ่นตอนที่ดิฉันเป็นหวัดนิชเนวุคาคารดอามนาฮตเราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตกเจลีบูโม่แท็กชบูเล เราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกละตอริ Šли, b o u, e ma, m o на п o т o v a n j e po svetu, če zadenemo na lotu. ถ้าอีกเดียวเขายังไม่มาเราจะเริ่มทานข้า За เช li b o m o jesti, če ne bo kmalo prišел.